ถ้ามีปัญญาและรู้ทางปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติให้ถูกทางเป็นอันได้ทุกคนได้ไปตามลําดับเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วตั้งใจให้แนวแนว่ตั้งใจปฏิบัติธรรมละชั่วทําดีทําใจให้ใสไปอย่างนี้เรื่อยๆจะถึงธรรมที่วิเศษเองเข้าใจแล้วทําใจให้หยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางดวงกลางของกลา ง, ง ก, า, งกายให้ใสสว่าง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 ถึงพระพุทธเจ้าต้นธาตุต้นธรรมทุกพระองค์คำว่าบูชานั้นเราพึงปฏิบัติบูบชาควบคู่กันไปกับอามิสบูชาคือบูชาพระรัตนตรัยทงงางธรรมุบำรงศาสนบุคคลศาสนาสถานและศาสนาธรรมด้วยปัจจัยสี่และด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมรักษาพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าไว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 ยงเป็นพลวะปัจเจยแก่ท่านทั้งหลายให้ปราศจากความทุกขโศกโรคภัยสัพพอันตรายและอุปัตตวันตรายทั้งปวงปราศจากอุปสรรคในการดําเนินชีวิตโดยชอบจงจเจริญรุ่งเ ร, องเรืองในพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและกิจการงานโดยชอบมีอายุมั่นขวัญยืนสุขสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติสวรรคสมบัติและนิพพานสมบัติมีมรรคสีผลสและนิพพานหนึ่งโดยสัมมาทิฏฐิแต่ส่วนเดียว โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนตืน่นนิพพานะปัจจโยโหตุสัพเพพุทธาพลาปัตตาปัจเจกานณจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชีนารักขังพันธามิสัพสูเตอัทลัตตาสุขิตาวิรุฬห菩萨เสนอโรคาสุขิตาโาหถัสสะสัพเพหิยาติภิ ภาวะตุสัพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังคานุภาเวนะสัทาสุถีพระวันตุเตทุกคนค่อยๆ ค, คลายออกจากสมาธิแล้วก็ลืมตาขึ้นชา้ชาๆที่จบไปนั้นก็เป็นการฝึกปฏิบัติธรรมตามแนววิชาธรรมกายโดยเสียงของพระเดชพระคุณ พระภาวนาวิสุทธิคุณหรือหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยักมังคโลได้ให้คำแนะนำแก่สาธุชนผู้ฟังทุกท่านสำหรับการฝึกปฏิบัติภาวนาธรรมตามแนววิชาธรรมกายนี้สาธุชนสามารถที่จะฝึกปฏิบัติได้ทุกอิริยาบดยืนเดินนั่งนอนตามคำแนะนำเบื้องต้นที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้ให้คำแนะนำไว้นั้นและถ้าสาธุชนท่านใด